มุ่งไปทางด้านอัตถธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในเง่ใดให้เสียวเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทางที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงหักทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรส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 สังฆสงัดทางกิจคือกิจก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่อ <_ c ann ot> อุปทิวเวก cassette. คือความสังัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงทาสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันกา <_ état> รอยู่ ใ, ยนน Years ในป่าก็เพื่อกาย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 ของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ใกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อควรนั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกําเริบสืบสาร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 คำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะทาที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอาจเห็นทาที่เลิศเลยกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึยงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนนะเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจยอมสงบนี่เพราะมีทาบุกเบิกกรุณาพากันจําไว้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 ใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นนั่นท่านเรียกว่าปัญญาทรรมเหล่านี้เป็นสวากหาธรรมที่พระพุทธ เ, เจ้าตรัสไป้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญา การดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงมืหตุดพ้นเมื่อเสียเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอจจัศจรรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเน ด, ด้นเดาของ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 แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก่อนนำก็พระจักพระไถยและนำทำเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างน้ได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งทงที่ไม่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมาก่อนก็ตาม เมื่อไดส้สูงรู้สูงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็าตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วจ้องต้องทราบทันทีว่านั้นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่นี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จําเป็นต้องท่องบนสังวรทะยายรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้า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 นี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสะวะมันเป็นปืนเป็นไฟท่านทั้งทีเรียกว่าราคาคิ น, นาไฟกองใหญ่คือราคาโทสักคิ น, นาไฟกองใหญ่คือโทสะความปัตุสลายโมหคิ น, นาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหะโมหานี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุ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 เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งวนี้นอกจากท่านผู้สิ้นจิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระหานท่านอันนี้เป็นอัน่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่นได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพ ร, พระองค์ทาไมจะไม่สอนละ่ะ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 แล้วก็บำเพ็ญจิตติภาวนาเพื่อกิตต ว, วิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดสองท้อ ง, ทองแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็อค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลําดับธรรมดา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 ในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่อยู่อยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสศสันต์ไม่หิวไม่โ ห, หอยท่านจึงแนะนําธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกังวลกวายไม่ได้ความสอนด้วยความอยากความเพลยสยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้ น, นทำทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกโลกเขาตื่นกันนั่นนั่นล่ะท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่นี้กระจายออกไปถึง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 <c oughs> แต่ที่มีเวลาบุกเบิกไปบุกเบิ ก, บ ก, บกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการอยู่สะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญแล้วทำท่านหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบําเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดย ส, m, สม่ําเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นทันว่าบ <c oughs> ามาเหล่านี้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 ยังไงก็าตามให้ได้เลงเหตุเลงผลเลงอัดเลงทำเพื่อการดำเนินนงสันอยู่โดยสม่ำเสมอทุกเอียบทเนี่เป็นความถูกต้องนียามนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอนยติเพื่อนคนนี้